เทศอบรมพระวันที่สามสิงหาคม 2,521 เทศให้ครวดฟังเทศจิตรู้อย่างเดียวรู้ดีชั่วเป็นต้นเป็นกริยาของจิตที่มีสติปัญญาเป็นเจ้าของผู้ควบคุมจิตเป็นตัวทำให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันอิ่มพอกันนี้นิ่มนวลตลอด ขรวาดฟังอัดได้ผู้มือเช้านี้ก็บอกว่าทมจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิต รู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิาพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ๆไม่มีกิริยาอาการออกช้ายเป็นความรู้เท่านั้นกิริยาแสดงออก จา ก, กจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิิยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิิยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับ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 รู้ของเรามันมีสิ่งเกือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาสกคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเกือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเกือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่วิเศษเป็นความรู้ที่ชัดเจนเป็นความรู้ที่ส่งไว้ถึงความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ ม, ตมภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์ สุกก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้ว แต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวการอันทึงเรียกว่าสังสาร จ, จักรก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ในอำนาจ ของกฎแห่งกรรมกรรมพามหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเ น, นั้นเนื่องจา ก, กจิตยังไม่พ้นวิสัยของของกรรมนอกจา ก, กจิตพระกินาศท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุตดิดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใด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 เกิดแกเก็บตายนในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ํต่ ำ, ตำลุลุ่มดอนเมื่อ ม, ม, ม, ม, ม, มาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงลึแกแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วน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 ธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมขาดโลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใด ไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบยาบเช่นพบกพบที่เป็นทิพย์พูดผีเทวบุตรเทวดาอินทรพรมเหล่านี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อแต่จิตก็ยังไปกำเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้น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 ร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งหลายได้ ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกหนึกเรียกว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทั้งพื้นก็ร้อน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 การท่องเที่ยวในวัฏะสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเท จ, จ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวแล ะ, สะเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดเคลืนในเวลาเดินทาง เดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั่นเป็นผู้พอแล้วจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่อง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 เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราอเกิดในภพใดชาติใด ม, มีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบันเท่ากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนะักผิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบันเท่าเลยอยู่มากนะ คนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากความขัดสนตนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็ยังว่าท่น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 เพราะการทํามาหาเรื่องขี้ก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั้นที่นี่รับความลําบากลําบนวุ่นวายอะไรอสบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์มันพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายะไปที่ไหนมาจะดีไปที่นี่นว่าจะ ด, จะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีแล้วไปไหนมันก็เท่าเดิม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 ถ้เป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกัดแกร่งไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเา่าถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเกลียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ ยิ่งทาจิตจะให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตสมายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี่ ตามเรื่องของธาตุขันที่ว่าอนิจจังทุกขังอาตามัานก็แสดงไปตามเรื่องของหม่ส่วน จ, จิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพลาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งขับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับนี่บุญกุศลนั่นแหละ เป็นเพื่อนสองของเราในเวลาเดินทางคือท่องเกี่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งพบแห่งทายมีกุศลสมทานที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบาย อยู่พบใดชาติใดก็พออยู่ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นคือ จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็าอยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดและคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนาเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตศาสนาคือความสุขความพึงใจ่านในใจของเราจิต ใ, ใจเมื่อมีบุญมีกุศล ดูก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันจึงสอนให้สร้างตรงนี้ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในพบน้อยภบใหญ่ ตามท่้งกล่าวไว้ว่าอเ น, นกชาติสร้างสร้างดังสั้างถ่ายปิสร้างอันนี้ปิสร้างดังนี้เป็นต้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งโคงจักเขือวิชาได้ขึ้นสุดลงไปแล้ว บัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระ พ, พุทธ า, ายจักที่ทรงลืกอกงจักอีพัดผันอยู่ภายในจิตใจภายหมุนเวียนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่สืงนี้ขาดสบั้นลงไปแล้วเหลือแต่ที่วัดที่วัดตะคือไม่หมูนเป็นความบริสุทธิ์ล้วน นี่ก็หมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมาให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันท่่มีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตสังยู่อย่างลึก มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราอีกแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความร่วมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาพิพันผ่านมาแล้วจึง ยึดหลักนิสัยเดิมนิไว้พอใจกับการบําเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่เป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลําดับลาดับเมื่อวาสนาบา ร, รมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติคือ ธรรมชาติอันล้นค่าอนภายในจิตใจของตนทําให้เราเกิดความภาคภูมิในการบําเพ็ญของเราแม่ชาติปัจจุบันถ้าหากเราละลึกชาติใดไม่ได้เราก็จะภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทํามาอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สองให้เราเห็นได้อย่างชาติ ในโลกนี้พบภูมิของฉัดนั่นน่ะมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นหมื่นแสนแสนพบภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่มีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้เนี่ยมีมาก ซึ่งมีมากาพระพุทธเจ้าเจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะวปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่ขับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกีนร้อยละกี่ร้อยล้าน ภพภูมิของสัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล้วนั้นใกล้อยู่มากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดาย พระุทิเจ้าต้องอีดต้องกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าคำส อ, สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พนิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโภพุญญาสัจจะโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาสึ่งความสุขเนี่ยสุขทั้งชาตินี้สึกทั้งชาติหน้าพบหน้า สุขไม่มีจืดมีจาง ส, สุขไม่เบือ่อก็คือสุขด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจท่า น, นขอให้พากันพิสาธิริยานีเรามาบําเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคารวาสต้องยิ่งเต็นขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อ ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับกิการงานเหล่านี้เหมือนๆกันหมดอันนั้นเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่วน จ, จิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลขออย่าปล่อยอย่าลดละใพยายางทำเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็ม อาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวระบุคคลบุคคลที่จะต้องพึงพิงพึอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพันนึกอิูภายในจิตใจมนนีความผุกความจเจริญในภกชาติต่อไป สมกับมนุษย์เรามีปัญญาเแลีววฉลาดขาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสังสอนซึ่งเป็นส่วนคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าแจกเดยชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอานาจแห่งบุญแห่แงกุศลเป็น ผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างมุนฉะนั้นเนาวาสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาคแงองค์สมเด็จพระพุทธมพระภาคจาก พ, พร้อมต้งประทังและประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขการสบายใจอย่าดัมีโรคาัยพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้เดี๋ยบำเพ็ญพึงงามความดี เต็มทักษิกรลังความสามารถของตนจนถึงมันอาวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมาตปราถนาดังีิท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้